ทุกคนะป็ไนไนช่วงเมื่อกีเก็บหนังสือทำวัดประชุมเตรียมตรวจเงินจิตใจเราเหมือนกันไหมมันส่งหนังสือทำวัดใจเหมยกันไหมรู้สึกวันนี้าันไปใช้ดีไมเราก็เคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็ส่งไปกันเนื้น สมัยนี้เด็กไปไม่ใส่ใจบางทีเราสวดมนต์เป็นแบบไหนทานเราสวดมนต์เราก็อยู่กับบทสวดมนต์ไหมหรือว่าเราสังเกตบางทีใจเราก็ไม่ได้อยู่กับการสวดบางทีก็อยู่นะใช่ไหมสังเกตบางทีก็อยู่บางทีก็รู้ว่ากำลังสวดบางทีก็เรียกว่าใจยิงกับบทสวดได้สั้งไปแต่บางทีก็ลอยไปก็มีใช่ไหมมีไหมไห ไปคิดเรื่องอื่นเลยพูดขวดไปแบบนกแก้วกเป็นทองใส่ใจไปอยที่ไหนก็ไม่รู้ผิดไหมผิดไหมไม่ผิดก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นธรรมชาติถ้าเราอยากจะบังคับให้เขาอยู่กับการตรวจตลอดมันได้ไหมถ้าชำนานอาจจะได้แต่อันนั้นก็ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าท่านสอนนะ ไม่ใช่ถามเพราะว่าที่จริงมันก็ต้องผิดเป็นธรรมดานะคิดเป็นธรรมดาเราก็ต้องมืมบ้างหลงไปบ้างแต่มาว่าสวดทุกคนตนะ่บางทีเราพระอาจจะอบอกนะหรือบางทีเราจะเคยได้ฟังว่าสวดมนต์ต้องให้ใจเดือดขันสวดมนต์ให้ใจน้อมอยู่กับบทก็พุทธคำประงสระคงค์ให้เข้าถึงพรัฒนไใจแต่น้อยคนจริงจะเป็นเช่นนั้นใช่ไมเพราะว่าเรา ใจเรายังไม่ถึงพรัตไใที่แท้จริงดังนั้นเราก็สรวจไฟก็สงไสัยในพระพุทธเจ้าก็มีนะสงสัยในพระสารสงไสัยในพระสงฆ์บางทีไม่สงสก็เฉยเฉยนก็เฉยเฉยตวจไปมาแบนั้นแหละไม่รู้พิธีกรรมก็าทำไปเพื่ออะไรนะบางทีบางคนก็จะรู้นะแต่ก็มรู้สึกไม่อินก็ทําไปแบบนั้นแหละทำไปก่อนเขาว่าดีเราก็ทําตามเขาไปก่อน่ะมันก็มีหลายแบบอันนี้บางคิดที่ว่าไม่ได้ว่า ทุกคนมาแตกต่างกันไปแต่เราลองกลับมาดูแม้แต่ตัวเราเองในแต่ละวันที่เราได้สวดมนต์นะหรือในช่วงที่เราสวดมนต์คงเดียวบาทีความรู้สึกนะจิตใจของเราก็ยังไม่เหมือนกันใช่อืมเริ่มต้นสวดมนต์ตอนแรกอาลามสมาธิตใจจะตั้งมั่นมากขึ้สนสวดไปนานๆปวดแสบปวดขาเนะมื่อยใจเราก็ไม่ค่อยอยู่การสวดแล้วใช่ไหมอันนี้คือจิตใจที่เป็นธรรมดานะ พี่จิมันก็ต้องลงเป็นธรรมดานะอืมอย่างเมื่อวานอาจารย์มาก็ไปพักที่ชมรมเพื่อคุณธรรมก็ได้มีการสนทนาธรรมประการส่วนคนของหมื่นนุ่มก็คุยกันประเด็นในรักหลายายเรื่องนะก็คุยกันเรื่องนักปฏิบัติธรรมด้วยก็ก็มีความเขียนตรงกันนะจะในสายว่าเทียนเองก็ดีหรือสายอื่นก็ดีส่วนใหญ่ก็มันต้องลองเขียนลองถูกไปทางนั้นน่ะหมายถึงว่าไม่มีใครทํา อ่าหรือว่าฟังข้า้งเดียวก็ ท, ทําข้างเดียวแล้วก็หรือว่าเข้าใจตรงทันทีนะแทบจะไม่มีเท่าที่ได้สัมผัสกันอนะหรือแม้แต่ประสบการณ์ของอาจามาเองก็ดีนะอย่างนคนเขบอกประสบการณ์ของของท่านเองก็ดีก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นเหมือนกันนะทำผิดทําถูกนะูกปบัติถูกตัว น, นะกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้มันผิดผิดทำนั้นเป็นใหญ่อีก ถ้าคนส่วนใหญนะ่นะนับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะผิดไปด้านไหนก็ผิดไปด้านที่โหนไปทางกับโรคใช่ไหมทำไมครูเจ้าท่านสอนเรื่องธรรมะจักรคือท่านสอนครั้งแรกพวกเราจะได้ยินไหมคํามะจักรกับประธรรมะจักรก็คือบทที่เรียกว่ากรงร้อแห่งจักรแห่งธรรมได้เรื่องในครั้งแรกแรก็คือการแสดงธรรมครั้งแรกให้พูดประโยคแรกนะท่านบอกว่า ที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างมีอยู่อย่างนึงคือการเนี่ยการที่เรียกว่าเราหลงหมกมุ่นอยู่กับโลกนะเรียกว่าการมาสุ ข, ขานิการมายโยมีไหมใครไม่เคยหมก ม, มุ่นอยู่กับโลกเป็นกันทุกคนเนาะหลงบ้านชื่อเสียงเกียรติยศรับสิเนเงินทองบางทีก็หลงรูปร่างหน้าตาของเราเองบางทีก็หลงรูปร่างหน้าตาของคนอื่นใช่ไหมบางทีก็ไม่ชอบก็มี เนี่ยราหลงโรคโรคที่นีไม่ต้องไปมองไกลนะหลงตัวเองนี่แหละมีไหมไงไม่ใส่หลงตัวเองใช่ไหมชั้นเก่งนะชั้นดีแต่น้อยก็เปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะใช่ไหมแม้เราจะรู้สึกว่าเราอาจะไม่สวยที่สุดแต่เราก็สวยระดับนึงแหละใช่ไหมมีเราอาจจะไม่เก่งที่สุดนะแต่เราก็เก่งตั้งแต่สาเร็จพองตัวรนะใช่ไหมอันมีเนี่ย เราต้องหลงตัวเองแหละหลงตัวเองแค่ได้แ่าเองในการหลงหลงเร่นี้ก็คือการหลงยึดติดในตัวของเราเองนั่นแหละหลงว่า ก, กายนี้ใจนี้เป็นของเราเราจะรู้สึกว่ากายนี้ใครจะบอกว่าไม่ใช่ของเราหระเมื่อก่อนจะฟังนะแต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะเราเองรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แล้ก็เป็นพัฒนานการใช่ไหมแต่าเราจําความได้ถึงนี้นเราก็ยังรู้สึกว่ากายนี้เป็นของเรา แต่ทีนีว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเฉยๆคล้ายๆต้นไม้จากมาเมล็ดพันธุ์เปนนเ็นต้นเล็กๆจนถึ ง, ถงตอนเนี้ยมันก็คือต้นเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็โตเราก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ากายเรา ม, มันก็โตแบบนี้มันก็เปลี่ยนแปงลงรูปร่างหน้าตาไปบ้างแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นของเราอยู่อมีใครมีใครเห็นว่าตารนี้ไม่ใช่ของเราไหมมีก็จะพอเห็นได้เห็นความเปลี่ยนแปลง แต่เรายังไม่เลอกคิดกายเลิกเจ็บของเราหรอกใช่ไหมเพราะเมื่อไหรที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังรู้สึกทุกข์เพราะกายอยู่ยมีนะเมื่อไหรที่มันจะพัดพลาดสูญเสียไปเราก็ยังรู้สึกทุกข์เพราะเรื่องของกายอยู่แต่แล้วพระพุทธเจ้ า, าท่านให้พวกเรากข้มาเห็นนะเราฝึกเพื่อให้ท่านก็เด็กคือเหตุแล้วกายนี้มันมีสองเราทําไงเราจึงเขียนได้ล่ะก็ต้องเลิกหลงโลกเลิกห ล, ล, ล, ลงกายก่อน ก็หลงไปบ้างธรรมดาแต่เรามีสติขึ้นมาเราจะเห็นว่าการมันก็เป็นเรื่องของกายใจที่มีสติก็เป็นเรื่องของใจที่มีสติมันจะออกมาเป็นผู้เห็นออกเป็นผู้ดูเห็นว่าอันานั้เป็นเรื่องของกายเฉยๆความหลงก็จะน้อยลงไปนะเพราะนั้นที่พุทธเจ้าสอนเรื่องการหลงโรคก็คือการสงในทางโลกนะหลงยึดติดตัวของเราเองก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีหรือว่าโทษติดอื่นอีก ในโลกนี้ในจักรวาล น, นี้ก็ดีนะก็ยังเป็นการหลงโลกอยู่นั้นเะป็นการหลงทุกคนแมนะ้แต่พระพุทธเจ้าเองก็หลงนะหลงในภาษาตามฤดูหลงในสนมกำนันในนะหลงที่จะไปเสพสุขถ้าหลงสุดที่สุด น, นะในเรื่องการมักษาสุขาริโยก็คือหลงในการเสพสุขจากสมาธินะคือแม้แต่สมาธิตั้งอย่างเรียกว่าตรงนั้นคือการมักษาสุ ข, ขา ร, ขขาริโยก็คือ สงพอใจในความสุขในความสงบในความสบายที่เกิดจากการเข้าสมาธินี่ยพระเจ้าท่านถ้าจะทำมาแม่ท่านจะเห็นว่าโลกนี้มันทุกข์ แ, แต่ปัญหาทางออกจากความทุกข์ก่อนที่ท่านตัดสุดรู้ตัง้งมาหกปีท่านก็ยังหลงไปทำเรื่องพวกนี้อยู่ก็มีเพราะว่าทางสโ่ตรงนี้มันไม่ง่ายเลยนะที่คนจะไปพาไปแม้แต่พระรู้เจ้าเองก็ยังต้องพาไปพันทางตรงนั้นแต่ จุดสําคัญคือเมื่อเรารู้ว่าเราหลงเมื่อนั้นเราจะกลับมาถูกทางได้เมื่อเรารู้ว่าท่องทางที่เป็นติดที่ความสงบที่ความสุขทําไมเราทำต้งมาหลายทีแล้วทําไมเราไม่ก้าวหน้าเสักทีอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อที่ทําให้เราได้กลับมาทดสอบตัวเองว่าเอ๊ที่เราทำแบบนี้นะทำแบบนี้ไถึงการวางใจแบบนี้นะมาทําไมเราไม่ก้าวหน้าทักทีนะแสดว่าเราอาจจะมีติดอะไรสัก อ, อย่าง พอเราเหตุใจแล้วก็จะเกิดการตรวจสอบหรือว่าเฮ้ที่เราทําทําไมมันไม่เข้าหน้าพอเราเห็นว่าโอ้ที่จริงมันก็ยังเป็นการติดอยู่ติดในความสุขในความสงบในความสบายก็้ีเมื่อเราเห็นว่าเราติดในความสุขความสงบความสบายมันก็ถอยออกมาถอยออกมาเออไม่หลงไปติดอีกแล้วก็มีอันนี้คือการหลงไปทางที่เรียกว่าการมาสุขฐานนิการมินนโยอีกด้านหนึ่งที่นักปฏิบัติทำโดยใหญ่ก็ลงเหมือนกันนะ เจอการหลงทำตนทําใจให้ลำบากนะก็คือการคิดว่าในเมื่อกายนี้มันมันเสพสุขมากมันก็ยังไม่สบายเอาให้มันทุกข์นหนักๆดนะิคิดว่าจะต้องทําให้มันทุกข์นหนักมันถึงจะออกจากความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ทางนะหลายคนไปบางเทียนทุกขเวทานาทางกายเยอะๆหรือแม้แต่นักปฏิบัติทําหลายคนก็คิดว่าแต่สมมติว่าถ้า น, นัา่งนานๆปวดขา ต้องตู้ให่มันหายปวดเลยอ่าคิดว่าถ้าหายปวดขาแล้วมันจะหายทุกตามไปด้วยที่จริงมันก็มีรอบนะที่จริงรอบนีงหายปวดนั่งต่อไปสักสิีสักสิู้เดี๋ยวมันก็ปวดใหม่เหมืนกับการหิวข้าวกินอิ่แล้วก็ใช่ว่ามันจะไม่หิวอีกมันก็ยังหิวอีกเพราะว่าอะไรเรื่องของการมันก็เป็นเรื่องที่วนๆเวียนๆเป็นเช่น น, น, น, นั้นหายใจเข้าต้องหายใจออกคิดว่าหายใจออกมันสบายอ่ะ หายใจเข้าสบายมันก็ทํำท่าเดียวไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่เช่นนั้นเนี่ย เ, เราก็ลงจีเราก็หลงแต่สิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมมักจะลงคือการบังคับใจบังคับใจเพราะเราคิดว่าตัวหลงมันไม่ดีหลงไปคิดมันไม่ดีหลงไปจมกับความสุขความทุกข์มันไม่ดีเราก็เลยอยากจะบังคับใจให้มันไม่ลง อยากจะให้มันรู้อย่างเดียวอยากให้อยู่กับตัวรู้นะอยู่กับความสงบเราก็เลยพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้มันรู้นะรู้รู้รู้รู้ท่าเดียวจนทั้งบางทีมันกลายเป็นการเรกิ่งความรู้ก็มนะีไปตั้งใจรู้มากเกินไปก็มนะีมีเจตนามากเกินไปก็กลายเป็นเรียกว่าสมาธิมานํำตัวสติปัญญาเล้ก็เลยไปการรู้แบบชื่อๆรู้แบบไม่ค่อยสบายแล้วว่ามันตนใจ สนใจที่จะรู 3, ung, y, ้นะสนใจที่จะรู้ก็แบบไปการที่มีนะนั้นทำปฏิบัติครับหลายคนนะมันก็คือเราตั้งใจที่จะรู้อ่ะมันเรายกมือทั้งยับบัญชีแล้วก็เอาใจไปอยู่ที่มือเลยะเดินจงกรมก็เหมือนกันเอาใจไปอยู่ที่ฝ่าเท้าดูลมหายใจก็ส่งใจไปอยู่ที่ลมที่ไปลายโมนกบ้างนะดูท้องเขายุกก็ส่งใจไปอยู่ที่ท้องบ้าง ก็คือส่งใจมันอยู่ที่อะไที่หนึ่งเพราะอะไรเราคิดว่าอยากเราอยากจะดูชัดๆเหมืนไรเหมันเราอยากไปดูฝ่ามือของเราเองล้วก็ไปดูใกล้ๆมันเห็นไห ม, ไมเห็นแต่มันเห็นแบบเห็นแบบเห็นอันนี้อย่างเดียวแต่ไม่เห็นสิอื่นเมือนเรามาดูใกล้ๆเนาะเราก็จะเห็นที่ตรงนี้เราโฟ ก, กัสที่ตรงไห น, นมันก็จะโฟ ก, กัสมันก็จะเด่นที่ตรงนั้นแต่เราจะไม่เห็นภาพรวมแต่ตามปัจิบัติธรรม ข, ของพ่อเทียนเขาบอกว่า ให้เรารู้สึกตัวใช่ไหมไม่ใช่บอกให้รู้สึกมือไม่ใช่บอกให้รู้สึกเท้าใช่ไหมรู้สึกตัวเราต้องรู้สึกไปทั้งตัวอแต่การที่จะไปตั้งใจอโฟกัสทั้งตัวเลยก็ไม่ใช่นะรู้สึกตัวคือรู้สึกไปทั้งร่างกายนี้อย่างสบายๆอาจจะเดินที่ส่วนใดอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ให้รู้สึกไปทั้งตัวแหลยรู้สึกตัวเนี่ย ไม่แค่ตัวนี้คือชื่อเรานะชื่อนั้นชื่อนี้นะแล้วก็ไปพูดว่าเรากำลังทานั้นทานี้แต่ให้รู้สึกเหมือนแค่ว we we ่ากายเนี้นะหรือรูปเนี้มันกําลังนั่งอยู่อันนี้เรานั่งอยู่เรารู้สึกไหมว่ากําลังนั่งนะรู้สึกว่าเรากำลังนั่งหรือรู้สึกว่าแค่กำลังนั่งมันต่างกันนะมีความรู้สึกว่าเรานะเรากําลังนั่งกับแค่รู้สึกว่ากายเนี้กำลังนั่งมันจะต่างกันนะ อ่าโอเคนะอ่าถ้าเราแค่รู้สึกเิเฉยๆมันจะแค่รู้สึกถึงถึงการตั้งอยู่ของรูปร่างลักษณะเช่นนี้อ่ตั้งเป็นรูปทรงเช่นนี้มีการสัมผัสกับพื้นอ่าเป็นแบบนั้นอ่ามีการเคลื่อนเล็กๆน้อยๆไปกระดุกกระดิกไปแล่นมันก็จะเห็นไปนทั้งตัวจะรู้สึกนะมันไม่ช่เด่นแค่การที่พนสัมผัสกับพื้นมาจะเป็นก็จริงแต่ไม่ได้ จะต้องรู้แบบตรงนั้นตลอดไปใช่ไหมอบางัทีก็รู้ถึงการกระทบกันของพื้นกับร่างกายบานทีก็รู้ถึกถึงแอร์ที่กระทบะนะแต่บางทีเราก็รู้สึกไหมตอนนั่งอยู่เราก็ไปรู้ว่าว่าเราประดังนั่งแต่ใจเราอยู่กับการฟังมากกว่านะฟังไปคิดไปฟังไปรละลึกไปหรือบางทีก็ฟังไปหลงไปหรือบางคนอาจะจะตั้งใจเป็นสมาธิเกินไปหลับตาไปอ่าว ไม่ได้ฟังแล้วก็มีใจไปอยู่กับความสงกเกินไปก็มีก็มีหลายๆอย่างนะไม่ได้คิดต่อนะไม่ได้คิดใครจะรู้อะไรก็ได้แต่จะไปรู้เรื่องนอกตัวเนาะกลับมารู้เรื่องตัวของเราเองนี่แหละนะเช่นเรากำลังนั่งอตัวกายนี้กำลังนั่งเขรู้ว่ากำลังนั่งอยู่หูกำลังฟังเขรู้ว่ามันกำลังฟังอยู่ใจกําลังคิดตามสิ่งที่ได้ฟังก็รู้ว่าใจกําลังคิดตามอยู่นะ เกิดความสุขเกิดขึ้นนะมาสมัยสงบจังนะเมื่อวานเมื่อเช้ามีวุ่นวายมีเรื่องอมีงานยุ่งเยอะยุ่งยากพอมาที่นี่เออมันเบาสบายขึ้นเกิดความสุกใจแล้ว ร, รู้สึกว่าเออ ม, มีความสุขใช่ไหมเออข้างนอกอากาศร้อนร้นอนลงมาจากรถก็จะมาเข้าที่นี่มันร้อนมานั่งที่นี่นะสบายพอดีก็รู้สึกสุขใจ หรือบางคนเขเห็นว่าบางทีมันก็ไม่สุขตลอดเนาะบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์เออเรามานั่งฝั่งตรงนี้มาปฏิบัติธรรมคิดว่าจะ ม, าจา ม, มันจะสงบแต่ทําไมไมันยัเอาเรื่องคลุ้งค้านเข้ามาอีกในห้องนี้อีกทําไมเรื่องคลุ้งค้านียังหายจากใจของเราทุกทีบางทีเราก็หงุดหงิดกับเองก็มีนะเกมไหมบางทีเรื่องยุ่งยากเขาเข้ามาแต่เราก็ไปยุ่งยากในการจัดการเขาอีกละ ไปรำคาญเขาตราก็มีนะใช่ไหมบางทีเราก็ไปรำคาดเขาคิดตัวเองเนี้่แหละมันกลับทุกมากกว่าเก่านะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะดีเราอยากจะได้เราอยากจะเอาแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็ปิสเสธสิ่งที่ไม่ดีมันเลยเพิ่มความคุกเพิ่มความเครียดให้กับตัวงเราเองนะนั่นนี้ทันที่จริงอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้นะไม่ได้คิดทางนั้นหรอกมันเป็นสภาวะที่สวรรค์มากทั้งนั้นถ้าเราดูไปนะดูไปเรื่อยก็ บางทีมันก็รู้สึกบ้างบางทีก็หลงไปบ้างก็เห็นเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นกายก็แสดงภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงให้เห็นตลอดเวลานั่งตอนแรกไม่ปวดไม่เมื่อยอ่แล้วควาปวดควาเมื่อยมันอยู่ที่ไหนก็ปวดเมื่อยมันอยู่ที่ขาหรือเปล่าก็ปวดเมื่อยอยู่ที่หลังหรือเปล่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอันเดียวกันกับขากับหลังกับกายเราไหม สังเกดูค่อยๆแยกไปนะขากายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความปวดก็เมื่อยเขาเข้ามาชั่วคราวใช่ไห ม, มไม่ต่างบสจากสมมเสื้อผ้าของเราอะ่นะเสื้อผ้ากับเนื้อหนังบางต่าเราไม่พึงส่วนกันใช่ไหมมันต้องแค่มาสวมชั่วคราวตอนนี้เนะี่ยความปวดขามาสวมใช่ไหมพักแล้ว ก, ก็หายไปเหมืราก็ถอดเสื้อออกไปไปใส่เสื้อตัวใหม่เนะี่ยความสบายก็ เกิดขึ้นมาแทนก็เห็นนะว่าที่แท้ความสุขความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาของกายเราก็แค่แส้เข้มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปจ้อนเข้ามาชื่อคราแล้วก็ไปเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็ใส่ชั่วคราแล้วก็ไปใส่ตัวใหม่สวมตัวใหม่ใช่ไหมเราก็เห็นว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เหมือนกันเราสังเกตวันวันหนึ่งไม่รู้มันสุขมันทุกข์เท่าไหร่นะ เดี chỉ <c ười> chỉ n. N chỉ ๋ยวก็ยิ้มไม่รู้กีดครั้งเดี๋ยวก็ห้าเรื่องไม่รู้กี่หนะเดี๋ยวก็เิยเฉยนะเป็นใครๆยบึ่งตึงก็มีหรือว่าเฉดเฉยกแบั้งหมดก็มีก็มีหลายแบบใช่ไหมไม่ต้องไปดูที่ไหนือที่หน้าตาของเราเองก็ได้นะถ้าเราเห็นหน้าตาเราได้เราก็เห็นจิตใจของเราที่จีหน้าตาก็เป็นตัวสะท้อนจิตใจแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดพูดให้ฟังง่ายๆอยู่เฉยบางทีเราก็ยิ้มนะ บางทีเราก็หัวเราะบางทีเราก็ร้องไห้บางทีเราก็เฉยเฉยก็มีอ่าก็เห็นเห็นมันตรงไหนเห็นกลับมาที่ใจของเรากลับมาดู้เลยว่าใจบางทีก็สุขบางทีใจก็ทุกข์บางทีใจก็เฉยบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจวันวันหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะะอ่าวันวันหนึ่งมันเป็นแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่ผลเราก็เห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ของมันเอง ถ้าเราเห็นมันเป็นแบบนั้นของมันเองอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นใจของเราไห ม, มถ้าแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นใจของเราจริงๆหรอบางคนมีมีความเห็นเช่นนี้นะความเห็นว่าใจนั้นก็เป็นใจดวงเดียวนี่แหละแต่เพียงแล้วมันเปลี่ยนแปลงแต่จริงพระพุทธเจ้าท่ไม่สอนแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าทสอนว่าใจหรือว่าจิตตัวเนี้มันมันเกิดมันดับมันไม่ใช่ใจดวงเดียวที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แต่ละครั้งแต่ละขนาดเท่านั้นเขาเรียกว่าจิตดวงนี้เป็นจิตดวงนี้มันสงบจิตดวงนี้มันมีความทุกข์จิตดวงนี้มันเกิดความโกลาหลขึ้นมามันเป็นจิตทีละดวงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปมันไม่ใช่จิตดวงเดิมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขเป็นทุกข์นะแต่บางทีภาษาง่า ย, ายๆก็พูดให้เขาใจเท่า น, นั้นแต่จริงที่พุะอาจาท่านเน้นย้ำสอนว่า มันไม่ใช่มีอะไรที่เป็นสิ่งเดียวถาวรตลอดไปแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นมาใหม่แต่ละครั้งแต่ละขณะนะดเหมือนกับถ้าเราลองดูในแม่น้ำเนาะในน้ําเจ้าพยาหรือจำค้างในเต๊กก็ได้นะมันก็ดูไหลต่อเนื่องกันไปนะแต่น้ํามันเป็นคนละตัวกันได้มแต่มันต่อเนื่องหนุนกันไปเช่นนั้นใช่ไหมแม่น้ํอย่างที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถ จุดท้าลงไปไม่น้ำกายเดิมได้เพราะว่าน้ํามันไหลผ่าน เ, เรื่อยๆจิตความรักเหมือนกันเราไม่สามารถที่จิตดวงเดิมกลับมาได้จิตที่เคยมีความรักเมื่อ10ปีที่แล้วอาจิตคิดถึงความรักเมื่อ10ปีที่แล้วได้แต่ก็เป็นความคิดของจิตดวงใหม่ที่มันคิดเรื่องเดิมมันไม่ใช่เรื่องเดิมเหตุการณ์เดิมแต่มันเอากลับมาคิดใหม่นะมันเป็นเรื่องใหม่เท่านั้นดังนั้ น, นถ้าใครมีสติมากขึ้นก็จะเห็นว่าแท่ที้จริงแล้วเรื่องของจิต มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่นะถ้าเราเหตุที่นี้นะมันจะเลิกนะมันจะเลิกอะไรมันจะเลิกเข้าใจผิดว่าอะไรว่าการนี้จิตนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะไม่ใช่เลยมันเป็นจิตที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งมันเป็นเราได้ที่ไหนถ้าเป็นเราเราก็ต้องบังคับได้ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นสุขได้ตลอดไหมก็เป็นใจไม่ได้นะมันจะเป็นนิจจังหรือว่าคงทนสาววสได้ไหมไม่ได้ มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นฉะ น, นั้นเมื่อเราศึกษาธรรมะนะเราจะออกมาจากโลกนี้พนระ mm. พุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าทรรมสุโตก็สองด้านคืออะไรจิตใจของเราจะกลับมาสู่ความเป็นปกติคือทางสการนะเราจะดูออกมาจากโลกได้สักหนึ่งนะแต่โลกนี่มันเหมือนคล้ยๆเหมือนเรากระโดดขึ้นไปอยากจะกระโดดให้สูงขนาดไหนนะมันก็ตกลงมาเหมือนเดิมนะ กวา้างไปขึ้ไปก็เหมือนกันนะัะกว้างไปแลนะ้มันก็ตกกลัมาที่เดิมแหละอาจจะไม่ที่เดิมแต่ตกกลัมาที่พื้นเหมือนเดิมคล้ายๆแรงดุ่มๆเป็นแบบนั้นนะต่อเมื่อนะเราเรียกว่าสะสมมรรหรือว่าจเจริญอริยมรรคให้มันมีกำลังเหมือนกับคล้ายเราสร้างจรวจทีจ่มีกำลังพอที่จะค้นจากแรงดุด่มๆของโลคได้เมื่อหน้ามันจะลอยเหนือนโลกได้นะสน่ง กเ็เคยเอาอกาศออกไปนอกโลกเนะี่ยมันพุ่งขึ้นไปอต้ า, ต า, ตานตาแรงดึงของโลกพุ่งไปได้ดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันมันมีรู้มันก็ต้องหลงเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะดวอะอมอริยมรรคให้มันพลิ้วแบบไหวกับโลกนี้ได้ให้มันตัดมรรคได้นะตัดมรรคจนได้ผลได้ดังนั้นมันต้องหลงเป็นธรรมดาแต่คราวนี้เราก็เหมือนทําตัวเหมือนนักกระโดดอะไร น, นะกระโดดไปไว ออกมาจากโลกอออกมาได้จริงในกิริยาไม่ใช่เหมือนใ น, นหลักก็คือเราออกมาดูออกมาดูความเป็นไปของกครแล้วก็ใจไปเรื่อยๆเราก็จะดูดออกมาจากโลกนิดหนึ่งเออออกมานิดนึงแล้วก็กลับไปหลงใหม่นะหลงไปคิดบ้าหลงไปสุกไปทุกบ้างอะไรก็เป็นธรรมดาหน้าที่ของเราคือดูดออกมานิดหนึ่งนะแล้วก็สุดออกมาเรื่อยๆสุดออกมาเรื่อยๆบางคนเปนพยายามที่จะรักษาตัวดุด ไปรักษาตัวรู้ตัวนี้แหละมันก็เลยเป็นการปรับคองประบคองไว้ซึ่งที่จริงมันก็จะเป็นเหมือนคล้ามันคล้ายไม่ใช่ไม่ยช่หลุด่ากโลกนะแต่เหมือนคล้ายถ้าจะเปรียบเทียบกัน ง, ง, านง่ายๆเหมือนคล้ามันมีพรมเลื้อนมันมีคล้ายฟูกอ่าฟูนั้นนะฟูขึ้นมาสูงๆแล้วก็แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันมืนประบคลองไว้เราดูมันสูงออกมาจากโลกนิดหนึ่งนะหรือออกมาเป็นเพื ด, ดู แต่มันยังอยู่ในฐานที่ยังติดอยู่โลกอมันยังประคองอยู่มันยังมีการตั้งใจประคองน้อยๆอยู่มันยังติดกันอยู่ยังไม่ใช่พ้นออกมาจริงๆนะมันถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ทันอันนี้มันจะอ๋อเราคิดว่าเราปฏิบัติถูกแล้วดีแล้วแต่แท้จริงมันยังมีการประคองตั้งใจอยู่พอเราเห็นนะครันี้ก็เราเลิกละเราทิ้งตัวประคองกันนั้นมันจะติดก็ติดสิ พอเราติดเราหลงมันก็จะดูดออกมาของมันเองนะดูดออกมาของมันเองพอเรารู้ทันว่ามันติดมันจะดุดออกของมันเองแต่ครั้นี้มันก็จะไปติดใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออกมาใหม่อันนี้คือการปฏิบัติธรรมการเจริญสติมันเป็นเช่นั้นนะบางทีเราก็ไปคิดว่าถ้าว่าเมื่อเราดูดแล้วเรามีสติแล้วเมื่อเรารู้แล้วมันจะต้องไม่กลับไปคิดไม่ต้องกลับไปหลงไม่ต้องกลับไปทุกข์อีกนะอันนั้นเป็นเบื้องต้นมันต้องกลับไปเช่นนั้นต่อเมื่อ เราสามารถสั่งสมบริยมมัอเดินทางมัดได้เยอะแบบมันถึงจะตัดนะแต่ไปทีละขั้นทีละขั้นจากหยาบยาไปถึงประการไปสึงละเอียดอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนของมันนะมันต้องเป็นขั้นตอนของมันมันกับเราเรียนหนังสือแหละนะะเรียนแค่ปีเดียวจบป็นญาเอกเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมเราบางีใจร้อนนะออใจร้อนจะเข้าคอร์สเจ็ดวันแต่เอาให้ได้สัวดาบันให้ได้นี้ก็มี มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะบางทีเราก็คิดว่าเรามีเวลาน้อยนยิ่งบางคนบอกใกล้จะปวดแล้วต้องเล่นความเพียนแต่ประสบการณ์มันมาเองก็ดีนะอือ่คนหนึ่งดีที่งเราเล่นความเพียนมากเรายิ่งเพี้ยนเพียนจริงๆนะมันเพียนเพราะอะไรใจเราอยากจะได้อะพอใจเราอยากจะได้มันก็เลยที่จริงไอ้ทุกกายทุกใจมันก็มีแล้วแต่เราไปเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกใช่ไหมเพราะบบเพราะเราไป ไปคาดหวังผลเพราะเราอยากจะเอาให้ได้ไปในวันสองวันสามวันเนี้ยอยากให้มันได้คิดว่าจะ ท, ทําสักวันละที่สิบชั่วโมงนั่นมันจะได้นะเห็น ไ, ไหมไปทําอย่างอื่นะ่ะจะปฏิบัติทํำเพียงยี่สิบชั่วโมงให้เวลาน้อนสักสี่ชั่วโมงที่เหลือก็ปประจักทํางวันที่ว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะดีอนะทำไปแล้เนีมันจะได้สมมุตนะิถ้ยี่สิบชั่วโมงห้าวันก็ร้อยชั่วโมงนะ ถ้าเป็นเจก่อนถ้าเป็นคาราวาทาทำแค่ ว, วันวนึงชั่วโมงถงชั่วโมงก็มากแล้วเห็นไหมเราเล้ห้าวันได้กับเท่ากับร้อยวันท่วไปเราคิดว่าเราดีใช่ไหมมันก็คิดว่าจะเอาแบบนั้นให้มันได้แต่แท้ทีท่จริงแล้วการภาวนาอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะเราไม่รู้หรอกเมื่อเมื่อไหร่มันจะดีนะมันมีครูคนหนึ่งนะมีครูคนหนึ่งเขาบอกว่า เขาจะก็เป็นครูที่ตั้งใจนะตอนลู้สึกสอนลู้สนะึกนะรู้สึกคนไหนที่แบบเรียดอ่อนนะครูก็อยากดิวให้ได้นะดิวให้มันเบียดดีขึ้นมาได้สอนที่เศษบ้างนะไม่ได้แบบสอนคิดเงินนะแต่เนี่ว่าสอนแบบพยายามตั้งใจที่ให้เขาเรียนเก่งมากขึ้นนะให้เขารู้มากขึ้นตัาแล้วครูคนนี้ก็ทําแบบนี้สําเร็จมาหลายคนปีปีหนึ่งที่ จะรบกิดที่กลุ่มชายไทยเนะี่ยหลายคนพยาย า, พยายามเที่ยวพยายามเรื่อยๆสามเดือนละยังไม่ยัง ไ, ไม่เห็นผลก้าวหน้าที่ปูคนนี้ก็เลยเกิดความท้อใจนะก็เลยไปปรึกษาขอ อ, อนะขอ อ, อขออเขาพูดง่ายๆว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปเจอป้าคนหนึ่งป้าคนหนึ่งเขาพูดที้ผมฟังว่าเขาปลูกต้นขนนวลนะปรึกษาลดน้ำดวนดินใส่ปุ๋ย มาสามเดือนแล้วไม่เห็นออกผลสักทีเลยหูบอกว่าอป้าคนนั้นก็บ้าเนาะก็แค่สามเดือนเองมันจะออกผลได้ยังไงที่จริงคุณก็เหมือนคนป้า น, า <c oughs> <c oughs> ออนั่นแหละก็แค่พอกอกาพูแค่นี้นะใช่ไม่ทันทีเราก็ไปคาดหวังว่าถ้าเราทำเป็นที่ไปในสามเดือนอะไรเนี้ยมันก็คงจะสาเร็จนะเท่าที นักปฏิบัติธรรมองเรา ก, ก็เป็นเช่นนั้นนะ ท, ทันทีเราก็คิดว่าพอถ้าเราเคทําเต็มที่มันต้องดีมันต้องได้แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าท่านให้เราวางใจว่าเราทําเหตุที่มันเต็มที่นะเนี่ยมันถูกแล้วแต่เราต้องไม่ลืมที่จะวางผลด้วยเพราะอะไรเพราะเราทําผิดอริยสัจนะผิดกฎของอริยสัจดีพระเจ้าหลักสมพุทธศาสนาหลักที่ถูกคือเรื่องอริยสัจดีเรามาดูพระพุทธเจ้าสอนให้เรา เรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุกคือเรียนรู้อะไรถ้ราบอกว่าทุกคืออุปทานขันธ์ทั้งห้าใช่ไหมรายย่อยๆให้เราตรวจมนอุปทานขันธทั้งห้ามันคือตรวทุกหรือจะพูดง่ายๆว่าทุกคือเรื่องของกายเรื่องของใจเรามาเรียนรู้ทุกไม่ใช่ท่านสอนใหน้เราเรียนรู้ทุกแต่สิ่งที่พวกเราทำก็อย่างเช่นอะไรไปบังคับบังคับทุกนะคือบังคับกบายบังคับใจใช่ไหมคือหรือว่าปงแต่ง ปรแต่บังคับเสริมอะไรก็แล้วแต่ให้มันกายมันดีตลอดให้ใจมันดีตลอดเราไม่รู้เฉยๆนะผู้เจ้าสอนบอกว่าแค่รู้ทุกคือสิ่งที่ต้องรู้นะแต่เราไปบังคับไปกําหนดกําหนดกายให้เป็นแบบนั้นอย่างบางคนหายใจก็พยายามกาหนดให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆใช่ไหอหายใจละเอียดก็มีหายใจหยากก็มีก็บังคับมือเท้าก็เหมือนกันบางทีก็ไม่สบายนั่นก็กําหนดเกินไปก็มีใช่ไหม กำหนดท้องยุคกำหนดเอาใจไปกำหนดจะจอยสิ่งที่กำลังทำพุทธเจ้าสอนให้ทุกคือสิ่งที่ต้องรู้แต่เราเป็นกำหนดเป็นบังคับคราวนี้เ่อจสอนคืออะไรสมุทัยท่านบอกว่าสมุทัยคือสิ่งที่ต้องระแต่เราอะไรเรามีแต่เพิ่มนะเราไม่รับความอยากนะเรามีแต่เพิ่มความอยากอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นอยากจะมีนะ เออเนี่ยเมื่อเราทํำแบบนั้นมันก็ผิดทางทีิเพราะฉะนั้นสอนมาสมัยไทยคือสิ่งที่ต้องได้แต่เราไปเพิ่มนะไปเพิ่มนิโรธคือสิ่งที่ทำให้แจ่ม น, ะนะนิโรธคือความ้นทุกข์คือความตับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้แจ่มที่นิโรธนะเราไปเราไม่เราไม่เคยแจ่มในนิโรธเราไม่เคยพ้นจากความทุกข์อะไรเราก็จงกับความทุกข์อยู่ตลอดเลยอนะไม่เคยพ้นนะม่ได้จงอยู่กับความทุกข์นะ บาทีก็สุกก็โจมเหมือนกันนะบางทีเราสุกรู้สึกไหมเราก็อยากจะอินกับมันนะอืขอโจรเหมือนกันเพราะจริงชื่อของสุกในทางนักเวทมันก็คือด้านของทุกนั่นแหละมันก็คือด้านหนึ่งของทุกแล้วก็โจรอย่างนั้นไม่เคยแก้ไม่เคยพ้นออกมาสทีมักเราต้องเจริญมักต้องเจริญแต่เราไม่เคยอยากจะเจริญเจริญจะอะไเจริญจะแปลทำให้มากแต่เราก็ทําให้น้อยคิดว่าจะทาน้อยไปบังคนมาก นี่ยพอเราทํากิริยศาสตร์ัำปีติพ้อมันก็ไม่เกิดผลใช่ไห ม, มทุกไม่ได้ไม่ไรู้แต่ใจจะฟังครับสมุทัยไม่อยากจะรักแตมีจะเพิ่มอมีจะเพิ่มความอยากอนิโรธไม่เคยทําให้แจ้งเลยมีแต่จมอับสุขกับทุกข์จมอยู่กับอรารมณ์ตลอดเวลาีม่เคยพ้นออกาอมาสักทีมักไม่เคยเจริญอ ม, มีแต่หวังอย่างเดียวขออย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียว แต่ทำเกียดน้อยนะหรวองทีก็ทําอยู่พอสมควรแต่บางทีมันก็เหมือนกับต้นขนุนนะบางทีก็เหมือนกับเด็กนะบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนหลอกจะออกดอกออกผลใช่ไหมแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญกันนั่นแหละนะมันก็ต้องเริ่มจากการทําเกียด์ให้มันถูกต้องนะถ้าเราทําเกียรถูกเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเจริญรอกบางเองเหมือนกับผลมะม่วงอนะเราเห็นผลมะม่วงไหมผลมะม่วง มเมล็ดมะม่วงนะมันเกิดจากอะไรสมมติมีมเมล็ดมะม่วงเมล็ดเนี่ยเมล็ดม่วงเกิดจากอะไรก่อนที่สมมติเรากินเรากินมะม่วงเนาะออกเปลือกออกมากินเนื้อมามาเหลือมเมล็ดนะเหลือเม็ดมันฮะมันก็เกิดจากอะไรมันต้องมีผลก่อนไหมมันต้องมีผลถ้วผลของมะม่วงมันมันออกมันเกิดจากอะไรก่อนที่จะเป็นผล ดอกนะก่อนที่จะเป็นดอกดอกมะม่วงเป็นต้องเกิดอะไรกันก่อนจะออกดอกต้องออกอะไรก่อนออกช่อไหมอออกช่อออกช่อแล้วถึงออกดอกเนาะอืก่อนที่ออกช่อต้องมีอะไรก่อนต้องมีกิ่งเนาะต้อ ต้องเป็นใบก่อนนะจ๊ะนะมันต้องออกใบก่อนนะเป็นตาเป็นใบเนาะแล้วก่อนก่อนที่มันมีตออกตาออกใบได้มันต้องมีอะไรมีกิ่งเงี้ยก่อนที่จะมีกิ่งได้ก็มีอะไรต้นมีต้นแล้วก่็แล้วก่อนที่มีต้นแด้มันต้องมีอะไรเป็นรากครับเป็นไง ก็ี่จริงต้นกับล่าก็เชื่อมกันอยู่เนาะไม่ต้องเป็นอะไรเมตรใช่ไหมเอาแล้วตอนก่อนจะเป็นเมตรเป็นได้อีกผลแล้วก็วนกันไปแบบนี้นะเออเป็นวนใช่ไหมจากมาได้จนเป็นต้นเป็นผลมันก็วนกันนะไม่มีอะไรเลยที่ไม่สำคัญกันใช่ไหมก่อนที่ผลจะออกมันก็เกิดจากเหตุที่เปนเหตุกับผลมันก็เป็นเรื่องกัรเดินทางไปใช่ไหม อย่างเม็ดพัน์อย่างหนึ่งแล้วก็คือผลผลนะผลไม้อย่างเหมือนกันมันก็เป็นเหตุที่สำคัญกับผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราทําเหตุเช่นสมมติเหตุคือมเมล็ดพันธ์มเมล็กมะม่วงแต่เราก็ไม่กินมเมล็ดเนาะเรากินที่เนื้อมันเนื้อมะม่วงที่จริงเนื้อกับเนื้อกับมเมล็ดก็ติดกันเลยเหตุกับผลก็ติดกันอย่างเช่นนั้นใช่ไหม เราทําเหตุให้มันสมบูรณ์เต็มที่เดี๋ยวผลก็สมบูรณ์เอแต่จริงมันก็เป็นวงวียวที่มันสําคัญกันเช่นนั้นนะนเราทําเหตุให้มันดีแลทวสมบูรณ์ดีเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเป็นต้นไม้แตกกิ่งออกใบออกชอ่นะอออกดอกออกผลเป็นมาได้ใช่ไหมมันก็สําคัญเลยนะอันนี้ก็เหมือนการเหตุกับการภาวนาของเราก็าเราก็ต้องทาเหตุเช่นนี้เนาะค่อยคฝึกไปนะ วันนี้ยังไม่ค่อยใจช่วงวัไหนก็ฝึกไปเรื่อยๆนะอย่าไปเท้อนะพ้อแล้วนะก็จะไปถอยนะถอยแล้วก็ต้องสูง้ใหม่เพราะอะไรถ้าเราเห็นดีๆเนาะโลคใบนี้ยืดไม่เสร็จตายเราสดีใจสดีที่เราไปยึดมันนะมันนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าความุขนะสังเกตดูดีๆยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าเลิกยึดได้ก็เลิกทุกไปอันเนี้ยจริ่งที่เราทำแล้วก็จะไปคิดนะมันคนคิดว่า เออเกิดข้ามหน้ามันจะดีกว่านี้นะคนก็ไม่กัวนะเดี๋ยวบางทีเราก็คิดว่าชีวิตตอนเนี้ยเราก็มีความสุขสบายพอสมควรมีฐานะมีการเงินมีสุขภาพที่ค่อนข้า ง, งดีแต่คนก็ประมาณนะคิดว่าอีกสิบปีหรือถ้าเราหกสิบเจ็ดสิบปีมันจะต้องดีแบบเนี้ยตลอดไปหรืยงนั้นก็ต้องดีในมาตรฐานที่ถู ง, งกว่าคนอื่นแหละมีไหมเราคิดว่าเรามีัประกัน อ, อ่าทําประกัน นะสุขภาพประการชีวิตอย่างดีมันจะต้องมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีที่จริงไม่ใช่นะอาจจะใช่ก็ได้นะแต่มันไม่มีหลักประกันตอกว่าใจเราจะทุกจะทุขประมบัได้ขนาดไหนจะบางใจได้ขนาดไหนแต่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ทุกน้อยที่สุดนะหรือว่าเข้าใจชีวิตมากมากขึ้นนะการปฏิบัติธรรมจะช่วยพวกเราได้ตรงนี้นะช่วยให้พวกเราได้เห็น ให้เห็นความจริงของคีวิตแล้วก็เยารับความจริงของตัวนี้ได้นะอนาค ก, กพูดนะให้เป็นข้อคิดนิดหน่อยนักในการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมให้พระอาจารย์ตุ้มนะได้แนะนําเรื่องกันปฏิบัติธรรมกับพวกเราต่อแต่ส่วนใหญ่ก็ผมเคนปฏิบัติกมาพอสมควรนะแต่จะมีผู้ใหม่บ้างก็ขอนิมนตระอาจารย์ตุ้มแนะ น, นำ ต, ต, ต, ต่อไป มีใคมีใคที่ยังไม่เคยปฏิบัติอีแี่จุดสามสี่นะก่อนหลังคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็เราก็ปฏิบัติกันนะฮะปฏิบัติกันส่วนคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติกันเลยก็เรามีเป้าหมายเนาะ ของการที่เรากะทมให้ชีวิตเราทุกน้อยลงชีวิตทุกน้อยลงเนี่ยชีวิตเราก็ดำเนินไปทุกวันนะพ่ามีการงานมีการทำนู่นทำนี่เราเคยเสัยงเกตไหมว่าไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรนะก็มังจะทุกไปกับสิ่งที่เราหยิบจับี่กินข้าวก็กับข้าวไม่อร่อยม่งข้าวยังมากอะไรเงี้งยนะ จะล้ า, จางจานก็หมดเหยียดจานมันก็เลอะจะกว่าบ้านมันก็ดูใช่ไหยเราลองสังเกตเราแม้บางคนมีการงานที่ดีก็อดทุกไปกับสิ่งที่เรากำลังทำไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นเปล่าเนาะใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยนะเราลองเราลองสังเกตดูพรุ่งนี้จะมีงานบวชในภาคฤดูรนะ้อนก็ เมื่อสักครู่นี้ตอนทาบัตรก็มีมันแม่ก็เนยก็โทรมนลูกสามจะมาบทชเรมัจจรนจะมีวิวจะใส่เจลเกัีกวขวดสีขา ว, ขาวได้มัมคาถามเป็นคำถามที่ทุ ก, ท, กทุกนะั้นมันเป็นความทุกข์อยู่ในใจก็มีคำถามอะไรนี้จริงๆเนพะื่อโทรศัพท์มาไ <c oughs> <c oughs> ม่ดีมากกว่านี้เลยนะก็ <c oughs> แล้วก็มาอุ่นไนะ ดีคุณแม่เองก็โระดับเข้ามาดังนก็เหมือนกันนะก็เป็นเป็นเป็นคําถามที่มีเพื ơ, ่อจริงๆมีนิดเดียวเองนะอย่าง น, นี้นะก็โทรศัพท์มาถามแล้ก็วางหูไปอย่างนี้นะดังนั้ตรงนี้นี่ก็คือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องขนานี้นนะเราก็มักจะเกี่ยวนะข้องอย่างทุกเนาะอย่างคุณแม่ยที่ถามว่า เป็นเก็งกับกล้วยใช้ได้ไหมนี่ถามว่าเป็นความรับคอบอหรือเป็นความทุกขนะ์เป็นความกลัวหรือใช่ไหมฮะมันจะมีไม่ไม่ใช่เป็นความรับคอบนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นความมีความกลัวแฝงอยู่ตรงนั้นอยู่ในคําถามอยู่ในการกระทาอยู่ใ น, ใ น, านาอะไรต่างๆนานาแบบนี้ยตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วก็พอมีทนะุกข์แล้วก็ทนไม่ได้ก็ต้องหาทางใช่ไหมฮะหาทาง ช่วยตัวเองให้ให้ไม่ทุกข์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําพุทเราก็จะเหมือนกับแนะนําให้เราไปยันย้ำพึ่งตัวเองก่อนพอเวลาที่เรามีทุกข์นะแล้วเราก็หันไปหาวัตถุอื่นสิ่งอื่นมาช่วยแก้ทุกข์เนี่ยถ้าเกิดหาไม่ได้ทุกข์เราก็มันก็ค้างคาอยู่นะใช่ไมหมฮะค้างคาอยู่เช่นั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะต้องพึ่งคนอื่น เพิมมาตุกอื่นสิ่งอื่นคันี้ตรงนี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอย่างคําถา ม, ถา ม, มเรื่องเรงขับพวยเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางกายเป็นทุกข์ทางใจทนะุกข์ทางใจเนาะใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางใจอย่างเนี้ยฮะเราก็ถ้าสมมติถามว่าเออถ้าเป็นทุกข์ทางใจเนาะใช่ไหมฮะเราจะทํายังไงจะหาอย่าแดกอย่าเหลือใช่ไหมฮะจะหาอย่ามองอะไรก็ไม่ได้ละ ทนยังไงถ้าเราจะแก้ด้วยตัวเองใช่ไหมฮเราก็ต้องมีวิธีการตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็หาต้องหาวิธีแบบคลายผู้ทุกทางใจนั่นก็คือ น, นี่นี่ก็คือสิ่งที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะช่วยเราตรงนี้เนาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราอย่าที่พ็จะโน้ตบอกว่าได้เข้าใจเนาะความเป็นไปของชีวิตเราความเป็นไปของกายเราความเป็นไปของใจเรา าการปฏิบัติธรรมาการปฏิบัติธรรมก็เนะีคยเราจะเริ่มต้นกันที่เราจะเริ่มต้นกันที่เรามาเนี่ยอาศัยกายอาศัยใจเนี่ยเป็นเครื่องมืงอเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์โน้มนอกนะอนิยสัตตินะครใช่ไหมครัธรรมชาติในตัวเราจะมีจากไหนก็ต้องมีจากกายเราจากใจเราใช่ไหมครับ กายเราจะแสดงอะไรออกมาบ้างใจเราจะแสดงอะไรออกมาบ้ า, างออาาตรงเนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่ยิ่งพจน์นุษย์บอกนะเราเองเรามาักไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยสนใจว่าธรรมชาติเป็นยังไงแต่ว่าเรามักจะสนใจที่จะดัแดแปลงนะสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆแล้วนะมันเป็นปฏิกริยาที่ต่อเนื่องกันต่อเนื่องไปจนกระทั่งเราเองเนะี่ยเราไม้สามารถที่จะหุ จังหวะเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะารนี่ก็เรียกว่าเราหลงไปพอลงไปปุ๊บมันก็ไหลไปทัน ท, ทีอย่างเวลาที่ เ, เราเนพอเราสมมติถามว่าเราหิวเนาะมันก็ไหลตนะ่อไปเลยแล้ไม่หิวจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นไปเหรอเป็นั้นเป็นมันไหมเวลาหนาวเวลาร้อนก็ร้อนก็ร้อนจะตายอยู่แล้ว เ, เวลาอะไรก็ตามเนี้ยอย่างเงี้ย มันโผล่พันกันเราเคยแยกแยกนะครว่าเราสมมติผิวเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจผิวผิวเป็นเรื่องของอะไรนะฮะเรื่องของแรงเรื่องของกายแล้วจะตายอยู่แล้วเป็นเรื่องของอะไรเนี่กายใช่ไหมฮะอย่างนี้หนาวาก็เหมือนกันนะหนาวเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจกายเนาะจะตายอยู่แล้วเป็นเรื่องของใจแต่ว่าเราสังเกตนะครับว่ามันต่อกันไปมันไม่มีจังหวะนะ มันไม่มีจังหวะหลวงพัอเทียมนะฮะก็ได้แนะนำการเจริญสติในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจผ่านริงที่เราเรียกว่าการสร้างจังหวะเนาะนะคนที่ยังไม่เคยนะะก็อาจจะลองบางที่จะเห็นเพื่อนๆยกมือยกไม้กันนะฮะตรงเนี้ยนะฮะก็จะมีสาระสำคัญว่าในขณะที่เราเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ย เรียกว่ามันจะเป็นจังหวะมันมีการเคลื่อนครั้งหนึ่งมันมีการหยุดครั้งหนึ่งมันมีการเคลื่อนครั้งหนึ่งมันมีการหยุดครั้งหนึ่งตรงนี้นะฮะว่ามันมีการที่เคลื่อนไหวเนาะเดี๋ยวที่เมื่อกี้ที่จรโน้ตต่อไปว่ามือเนาะที่กําลังยกขึ้นมาพอยกขึ้นมามันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่นิดนั้นนั่นก็คือตรงนี้นะฮะว่าพอมีการเคลื่อนไหวมันก็มีการหยุดมีการเคลื่อนไหวมีการหยุดเนี่ยอันนี้หนวงพอเทียนก็เริ่มเริ่มซอยนะฮะ มันไม่ใช่ว่ามีการยกแล้อมันก็ยืดต่อก <fun> <and> ันไปใช่ไหมฮะจริงอยู men, ่เนาะมันมีการเริ่มต้นและจบลงมีการเริ่ม <of a plain language> ต้น <jogos> mm. และจบลงจะมันถายต้างการเริ่มต้นและจบลงตรงนั้นมันไี่้มีแค่จังหวะเดียวแต่ว่ามีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนการหยุดมีการเคลื่อนกัรหยุดมีการเคลื่อนกัรหยุดมีการเคลื่อนกัรหยุดหลายครั้งต่อกันนั่นคือตรงนี้ว่าถ้าหากบ้านเวลาที่เรา ปฏิบัติทำกันในในแถวที่ในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะพบว่าหนึ่งชุดของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อเทียนจะซอยไว้ว่าเป็นสิบสี่ครั้งตรงนี้ฮะจะซอยออกไปเป็นครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งเป็นสิบสี่ครั้งนะฮะนั่นนีนคือตรงเนี้ยเราเองนะฮะถ้าหากว่าเราคุ้นเคยเรากับการซอยเนาะซอยจังหวะมีเส้นมีหุดมีเส้นมีหยุดมีเส้นมีหยุดมีเส้นมีหยุดมีเส้นมีหุดอย่างเนี้ย เราจะเริ่มสอยหนาวจะดตายอยู่แล้วก็จะเริ่มสอยออกเป็นความหนาวเป็นความจะทายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้จักแยกแยกอ้อ yeah, อ yeah ัน oh, นี้มนันเป็นเรื่องของการที่มนันเป็นเรื่องของใจเมื่อก่อนนี้ก็มีนักปฏิบัติธรรมมาที่วัดปรากฏว่าต้องมาอด อ, อาหาร้าผิดกั น, ก น, น, นอยอยแล้วก็หน้าไม่ไม่เลยแล้วปวดท้องจังเลยเ <c oughs> นี่ยปวดท้องมาตั้งสามบันแล้ว สามบาท น, นะหน้านี้่แบบว <c oughs> ่าแย่มากๆเลยครับก็ทางโขก็จัดกรต๊อมาให้นะฮะก็แค่เจ็บปวดนะั่นเนี่ยปวดทอ้องมาตันนะ้งสามบาทแล้วอะไรอย่านี้นะก็เราก็เลยถามว่ามันมีมันมีปวดมี่หยุดไหมมีไหมฮะมีน้องมีปวดมีหยุดใช่ไหยฮะอ๋อแ้วจริงๆแล้วมันมีปวดมีหยุด ม, ม, ม, มันมม ห, ย, หนนยุดนานไหมเนี่ยใช่ไ้ยฮะอย่างนี้ ใช่ไห ม, มันปวดตอนไหนกันอะยรเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนี้นะอมันก็มีปวดบ้างบ้างน้อยบ้างในตอนแรกท่านก็บอกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีปวดบ้างบ้างร้บ้า ง, า ง, า ง, างก็มันเริ่มมันเริ่มน้อยลงไหมมันเริ่มน้อยลงไหมฮะจากการที่บอกอุ้ปวดมาทั้งแต่สามปันแล้วเนาะพอเรพอเริ่มแยกเนีแยเอามาปวดมากบ้างน้อยบ้างอ่ะอาการปวดก็ค่อยดีขึ้นใช่ไหมฮะถ้าถามว่าเออมันมีเวลาที่มันไม่ปวดบ้างไหมอนะไรเงี้ย มีไหมฮะก็มีนาะมีเนาะนั่นคือมีไม่ปวดมีปวดมากมีปวดน้อย่อ ย, อยันช่วขึ้นนะเจ็บไหยฮะนี่พอรวมรวมกันแลในสามวันเนี่ยมันปวดเป็นกี่ชั่วโมงต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยใช่บไหยฮะมันก็ไม่เป็นชั่วโมงต่อเนื่องกันเนาะมันก็เป็นสั้นๆสั้นๆเจ็บไหมฮะจากไอที่บอกปวดมาสามวันแล้วมันก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเนาะนี่คือความจริงใช่ไหมฮะคือความจริงของชีวิต แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราทนไม่ได้ตรงเนี้นะฮะมันก็คือสิ่งที่เนี่ยการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราแยกแยะความจริงออกมาเป็นส่วนส่วนนั่นก็คือตรงเนี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูพระอาจารย์โน้นนะว่าพระอาะะจารนจะนะให้ดูคนที่เคยยังยังไม่เคยปฏิบัตินะฮะลองดูพระอาจาน้นเราจะเริ่มต้นกันที่นะเรานั่งนีะฮะนั่งท่าสลับสบาง นั่งท่านสบายๆเราเรต้องทำอย่างที่เราก็รับรู้เนาะรู้สึกรู้สึกได้ไหมว่านั่งสบายแล้วคนที่ยังไม่ได้ยังยังทําไม่เป็นนะฮะรู้สึกได้ไหมครับเนาะรู้สึกได้เหนะ็นไหมฮะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่โน้นนะนั่งอยู่สบายๆดีแล้วนั่งมั่นคงดีเราที่จะทําอะไรต่อไปแล้วเนะานะนี่ครับนี่ก็เอามือวางไว้บนเข่านะ เรรู้สึกได้ไหมครับเมืออยูร่เรือยู่บนขับรู้สึกได้เนาะ่ะทองเตรียมพร้ามหน้าอันนี้ก็พลิกมือขวาจะแข็งขึ้นนะดูดูก็จะโน้ตด้วยนะพริกมือขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นแล้วเอมือหมากหมไว้ที่ทองพลิกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นเอามือซ้ายมาคับมือขวา ไปเลื่อนมือซ้ายทับมือขวาใชะไหครับาทับมันทับเอาอยู่ไหนเลื่อนมือขวาขึ้นนะนะเลื่อมือขวาขึ้นนะนะยอกมือขวาขออก ข, ข, ข, ข้างๆนะนะวานกลับมาบนหัวเนะข่าความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกมือซ้ายออกข้างๆวานกลับมาบนเท้าความหลงนะ การที่เราเริ่มนั่งนิ่งๆใช่ไก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะมีการติ๊กนะเราเราดูนะ เ, เ, เต้องทําทำต่างนะติ๊กมือขวาให้แ ข, ง ข, นน ข, นนแขงขึ้นยกขึ้นมาไว้ที่ท้องติ๊กมือซ้ายให้แขงขึ้นยกขึ้นมาทับมือขวาเลื่อนมืขวาขึ้นอยกอกาะกำค้างม า, งางบัาดเั้าความหลง เรื่อนมือซ้ายขึ้นยงองออกข้างๆบางมันเข่าควางลงนะเราจะเห็นนะว่าในจังหวะใช่นะก็พเรามีใช่ไหมครัเราเริ่มเคลื่อนเราก็จะหยุดนิดนึงใช่ไหมครัก่อนที่จะมีท่าต่อไปแล้วก็บางทีอพอมือขวาเสร็จก็จะเริ่มต้นที่มือซ้ายก็จะพักมือขวาไว้นะแล้วก็มาเริ่มกันที่มือซ้ายใหม่ ตรงนี้ยคมันจะดูเป็นความต่อเนื่องก็ได้จะดูเป็นการเคลื่อนการจุดก็ได้นะฮะมันนั้น nice. นั่นคือตรงเนี้ยให้เราแล้วอย่าลืมเนาะเรามันรู้สึกกันที่การเคลื่อนไหว น, นะฮะนะมันะมรู้สึกกันที่การเคลื่อนไหว น, นะฮะอามาเริ่มต้นกันนะฮะเริ่มต้นกันเราทําให้คล่องนะฮะทําให้คล่องนะพลิกมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นนะบอกเล็กที่ถองรพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น ยกขึ้นบางทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกกอกข้างข้างบนเขา่าความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกกว่าข้างๆบามบนเข่ า, ว า, มมขาวความลงรู้สึกไปด้วยนะครับรู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปด้วยติ๊กมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นบางไปที่ท้องติ๊กมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นบาไปที่ท้องเลื่มือขวาขึ้นที่นอออกยกกว่าข้าง วางบนเข่าความลงเลื spell, ่มมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างวางบนเข่าความลงติ๊กมือขวาแต่แข็งขึ้นยกขึ้นวางมาทิ่ท้องติ๊กมือซ้ายแต่แข็งขึ้นยกขึ้นวางมาที่ท้องเรื่มือขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนเข่าความลงเรื่มมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างวางบนเข่าความลง ตรงนี้ลองทําดูนะฮะลองทําดูการทำอย่างแนวหลวงวิทยนเนี่ยจะเน้นว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะเรารู้สึกนะคอารู้สึกนะมีการที่เคลื่อนไหวเนะเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้นะฮะเราเราลองดูมันก็จะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดเนาะพอหยุดปุ๊บมันก็จะมีการเคลื่อนต่อเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะ